ฝ่ายมโหสดบันดิตเมื่อจะทูลห้ามพระเจ้าจุลณีได้ทูลว่าข้าแต่พระมหาราเชเจ้าผู้ใดสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและผู้อื่นติเตียนทั้งสองฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนอยู่เพียงใดข้าพระองค์ไม่พึงเป็นราชบุรุษของพระราชาอื่นเพียงนั้น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 ความว่าบุคคลย่อมติเตียนตนด้วยตนว่าบาปเห็นปานนี้อันเราสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์กระทาแล้วแม้ผู้อื่นก็ย่อมติเตียนด้วยเหตุนี้ว่าผู้นี้มีทาเลสามสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนมาเพราะเหตุแห่งทรัพย์เพราะเหตุนั้นเมื่อพระเจ้าวิเทหราชยังดำรงพระชนอยู่ ขาพระองค์ไม่อาจอยู่ในแว่นแคว้นของพระราชาอื่นได้ลำดับนั้นพระเจ้าจุลณีตรัสกับมะโหสดว่าแน่บัณฑิตถ้าอย่างนั้นท่านจงให้ปฏิญญาว่าจะมาในนครนี้ในเมื่อพระราชาของท่านที่วงคตแล้วมโหสถทูลสนองว่าดีแลพระเจ้าข่าเมื่อข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จักมา ลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีพรมทัตทรงทํามหาสการะแก่พระโพธิสัตว์ตลอดสัปดาห์ครั้นล่วงไปอีกสัปดาห์เวลาที่มโหสถทุลลาเมื่อจะตรัสว่าแน่บัณฑิตข้าให้สิ่งนี้สิ่งนี้แก่เจ้าจึงตรัสคาถาว่ามโหสถบัณฑิตข้าให้ทองหนึ่งพันนิขะและบ้านแปดสิบบ้านในแคว้นกาสีแก่เจ้า ข่าให้ทาสีสี่ร้อยคนและภรรยาหนึ่งร้อยคนแก่เจ้าเจ้าจงพาเสนางขณิกรทั้งปวงไปโดยสวัสดีเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหนึ่งพันนิขะนิขะสหัสสังความว่าห้าสุวรรณะเป็นหนึ่งนิขะให้ทองหนึ่งพันนิขะคำว่าบ้านคาามีความว่า บ้านเหล่าใดเก็บสวยได้ปีละหนึ่งแสนกะหาปณะข้าให้บ้านเหล่านั้นแก่เจ้าคำว่าในแคว้นกาสีกาสิสุได้แก่ในแคว้นของประชาชนชาวกาสีกาสิกรัฐนั้นอยู่ใกล้วิเทหรัฐเพราะฉะนั้นพระเจ้าจุลณีจึงประทานบ้านแปดสิบบ้านในกาสิกรัฐนั้นแก่มโหสถป่ายมโหสถทูลพระเจ้าจุลณีว่า พระองค์ยาทรงวิตตกถึงพระราชวงศ์เลยข้าพระองค์ได้ทูลพระราชาของข้าพระองค์ไว้ในการเมื่อพระองค์เสด็จไปกรุงมิถิลาว่าขอพระองค์จงตั้งพระนางนันทาเทวีไว้ในที่พระราชชนนีจงตั้งพระปัญจาละจันทกุมารไว้ในที่พระกนิษฐาพาดา ทูลฉะนนั้นแล้วได้อภิเสกพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระองค์กับพระเจ้าวิเทหราชแล้วจึงได้ส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชข้าพระองค์จากสรงพระราชมารดาพระนางนันทาเทวีและพระราชโอรสของพระองค์กลับมาโดยเร็วทีเดียวพระเจ้าจุลนีพรหมทัตตรัสว่าดีแล้วพ่อบัณฑิต แล้วยังมโหสถให้รับฝากฆ่าชายหญิงโคกระบือผ้าและเครื่องประดับและทองเงินช้างมา้ารถอันตกแต่งแล้วเป็นต้นที่พึงพระราชทานแก่พระราชธิดาด้วยพระดำรัสว่าเจ้าพึงให้ทรัพย์เหล่านี้แก่พระปัญจาละจันทีราชบุตรีข้าเมื่อทรงพิจารณากิจอันควรทำแก่เสนาพาหนะจึงตรัสว่า พวกเจ้าจงให้อาหารแก่ช้างและม้าเพิ่มเป็นสองเท่าเพียงใดจงเลี้ยงดูกองรถและกองราบให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำเพียงนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพียงใดยาวะความว่ามิใช่เพิ่มเป็นสองเท่าอย่างเดียวเท่านั้นพระเจ้าจุลนีตรัสว่าจงให้อาหารมีข้าวเหนียวและข้าวสาลีเป็นต้น แกช้างและม้าทั้งหลายจนเพียงพอคำว่าจงให้อิ่มนำ้ำตับเป็นตุความว่าจงให้เท่าที่ไปไม่ลำบากในระหว่างทางให้อิ่มนำ้ำก็แลครั้นตรัดอย่างนี้แล้วเมื่อทรงส่งมโหสถบัณฑิตไปพระเจ้าจุลนีตรัสว่าพ่อบัณฑิตเจ้าจงพากองช้างกองมา้ากองรถกองราบไป ขอพระเจ้าวิเทห์มหาราชจงทอดพระเนตรเห็นเจ้าคู่ไปถึงกรุงมิถิลาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไปถึงกรุงมิถิลามิถิลังขะตังความว่าขอพระเจ้าวิเทหาราชจงทอดพระเนตรเห็นเจ้าถึงกรุงมิถิลาโดยสวัสดีพระเจ้าจุลณีทรงทำสักการะใหญ่แก่มโหสถบัณฑิตแล้ว ทรงส่งไปด้วยประการชนี้แม้พระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นก็ทํามหาสการะประธานบรรณาการเป็นอันมากป้ายเหล่าบุรุษที่มโหสถวางไว้ในสํานักของพระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นก็แวดล้อมมโหสถมโหสถเดินทางไปด้วยบริวารมากในระหว่างทางได้ส่งคนไปเก็บสวยจากบ้านที่พระเจ้าจุลณีประธานถึงวิเทหรัต ภายอาจารย์เสนกะได้วางคนไว้ในระหว่างทางสั่งว่าเจ้าจงดูพระเจ้าจุลณีเสด็จมาหรือไม่เสด็จมาและบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาจงบอกข้าภายคนผู้รับคำสั่งของเสนกะเห็นมโหสถมาแต่ไกลราวสามยศจึงมาแจ้งแก่เสนกะว่ามโหสถมากับบริวารเป็นอันมาก เสนากะได้ฟังประพฤติเหตุจึงได้ไปสู่ราชสำนักฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่ณพื้นปราสาททอาพระเนตรภายนอกทางพระแกลเห็นกองทัพใหญ่ทรงรำพึงว่าเสนาของมโหสถน้อยก็เสนานี้ปรากฏว่ามากเหลือเกินพระเจ้าจุลณีเสด็จมากระมังหนอทรงรำพึงดังนี้ก็ทั้งทรงกลัวทั้งทรงสะดุ้ง เมื่อจะตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่จึงตรัสว่าเสนาคือกองช้ากองมะกองรถกองราบนั้นปรากฏมากมายเป็นจัตุรงคินีเสนาที่น่ากลัวบัณฑิตทั้งหลายสําคัญอย่างไรหนอลำดับนั้นเซนกะเมื่อจะกราบทูลข้อความนั้นจึงกล่าววา่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าความยินดีอย่างสูงสุด ย่อมปรากฏเฉพาะแด่พระองค์มโหสถพากองทัพทั้งปวงมาถึงแล้วโดยสวัสดีพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะจึงตรัสว่าแน่ท่านเสนกะเจนาของมโหสถบัณฑิตน้อยก็แต่นี่มากมายเสนกะทูลตอบว่ามโหสถจะทาให้พระเจ้าจุลณีทรงเลื่อมใส พระเจ้าจุลนีทรงเลื่อมใสแล้วจากพระราชทานเสนาแก่มโหสถพระเจ้าวิเทหราชจึงให้เอากลองตีป่าร้องในพระนครว่าชาวเมืองทั้งหลายจงตกแต่งพระนครต้อนรับมโหสถบัณฑิตชาวพระนครก็ทําตามประกาศมโหสถเข้าพระนครไปสู่ราชสํานักถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่ง ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกขึ้นสวมกอดมโหสถแล้วประทับเหนือบัลลังก์อันประเสริฐเมื่อจะทรงทำปฏิสันฐานจึงตรัสว่าคนสี่คนนำคนตายไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับไปฉันใดพวกเราทิ้งเจ้าไว้ในกับปินลรัตแล้วกลับมาในที่นี้ก็ฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าเปลืองตนพ้นมาได้เพราะเหตุอะไร เพราะปัจจัยอะไรหรือเพราะผลประโยชน์อะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคนสี่คนจะตุโรชนาความว่าแนะ่บัณฑิตคนสี่คนนำคนตายไปป่าช้าด้วยเตียงทิ้งคนตายนั้นไว้ในป่าช้านั้นไม่เหลียวแลไปฉันใดพวกเราทิ้งเจ้าไว้ในกัปิลรัฐมาที่นี้ก็ฉันนั้นคำว่าเพราะเหตุ วันเนนะได้แก่ด้วยเหตุคำว่าเหตุนาได้แก่ด้วยปัจจัยคำว่าเพราะผลอัฏฐชาเตนนะได้แก่ด้วยผลคำว่าเรื่องปริโมจยัยความว่าพระเจ้าวิเทหราชตรสถามโหสดว่าเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกเรื่องตนพ้นมาได้ด้วยเหตุอะไร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 ข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์ป้องกันข้อความที่พวกนั้นคิดไว้ด้วยข้อความที่ข้าพระองค์คิดแล้วข้าพระองค์ป้องกันความคิดที่พวกนั้นคิดไว้ด้วยความคิดของข้าพระองค์ใช่แต่เท่านั้นข้าพระองค์ยังได้ป้องกันพระราชาแม้นั้นผู้มีพระราชาร้อยเอ็ดเป็นบริวารถึงเพียงนี้ทีเดียวดุจสาครกั้นล้อมชมพูทวีปไว้ฉนั้น มโหสถกล่าวกรรมที่ตนทําทั้งหมดโดยพิสดารพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงโสมนัสลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลถึงบรรณาการที่พระเจ้าจุลณีพระราชทานแก่ตนให้ทรงทราบจึงทูลว่าพระเจ้าจุลณีพระราชทานทองหนึ่งพันนิขะบ้านแปดสิบบ้านในแคว้นกาสีทาสีสี่ร้อยคน และภรรยาหนึ่งร้อยคนแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้พาเสนางคนิกกรของข้าพระองค์ทั้งหมดมาในที่นี้โดยสวัสดีแต่นั้นพระราชาทรงยินดีร่าเริงเหลือเกินเมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณของพระมหาสัตว์จึงทรงเปล่งอุทานนั้นนั่นแหลว่าแน่เสนาก า, ารการอยู่ร่วมด้วยเหล่าบัณฑิตเป็นสุขดีหนอ เพราะว่ามโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือฆ่าศึกดุดปุกคนปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในไข่ฉะนั้นฝ่ายเซน ก, กะบัณฑิตเมื่อจะรับพระราชดำรัสได้กล่าวคาถานั้นนั่นแลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายนำความสุขมาแท้จริงอย่างนี้ทีเดียว มโหสดปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือฆ่าศึกดุดบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงหรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในไข่ฉะนั้น